Bye. <laughs> แพรเทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องพุทธปัญญานี้หาได้ยากนักเทศที่วัดท้าโปร่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ำคืนนี้จะได้แสดงธรรมถึงสิ่งที่หาได้ยากซึ่งมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งการที่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งบำเพ็ญบารมีแล้ว สามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากพระพุทธเจ้ามีอยู่สประเภทคือ 1. พระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยโดยใช้วิริยะเป็นตัวนำแล้วตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิริยะทีกะพระพุทธเจ้า 2. พระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีโดยใช้ศรัทธานำหน้านั้นและเชื่อธรรมอนัตตาใช้เวลาถึงแปสงไขแล้วจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัทธาธิกะพระพุทธเจ้า 3. พระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีโดยใช้ปัญญานำหน้านั้นก็ต้องใช้เวลาถึงสี่สงไขเรียกว่าปัญญาที่กะ พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก 2. การที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นคนนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากมากแต่พระพุทธองค์กลับตัดว่า การที่จะเกิดเป็นคนนั่นแหละยากกว่าการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคนก็จะไม่มีการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรือถ้าไม่มีคนพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากดูแบบผิวเผินแล้วก็จะกล่าวว่าการเกิดเป็นคนนั้นง่ายเพราะว่ามีคนอยู่ในโลกนี้เป็นจำนวนมากแต่พระพุทธองค์กลับทรงตรัสว่า การที่จะเกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วคำว่าคนแยกออกเป็นสองประเภท 1. เป็นคนบัญญัติคือคนไม่แท้ 2. เป็นคนปรมัตาร์คือเป็นคนแท้ 1. คําคำว่าคนบัญญัติมีองค์ประกอบคือหัวหนึ่งท่อนตัวหนึ่งท่อนแขนสองท่อนขาสองท่อนรวมเป็นหกท่อน อันนี้เรียกว่าคนบัญญัติเมื่อมีบัญญัติดังกล่าวมาแล้วต่อมาก็มีสันฐานบัญญัติเรียกกันว่าเป็นคนต่ำคนสูงอ้วนผอมขาวดำต่างๆเป็นต้นแล้วก็มีนามบัญญัติเกิดขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่าเป็นคนเพราะฉะนั้นองค์ประชุมที่เรียกว่าสมุห์บัญญัติสันฐานบัญญัติที่เปรียบเทียบ ว, ว่า เป็นสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมก็เป็นคนคนปัญญาที่กล่าวมานี้เป็นกันได้ไม่ยากเลยแต่คนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นยากนั้นคือคนอะไรคือใครซึ่งมีบาลีว่าวิชเชติมนุสโสคคือเป็นมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยปัญญานั่นแหละเป็นได้ยากมนุษย์ เป็นได้ยากนั้นหมายถึงมนุษย์จริงหรือมนุษย์ปรมัติตได้แก่มนุษย์ที่มีปัญญาสมาธิธสัมมาสังกปะ์ทำงานอยู่ที่มโนวิญญาณเป็นผู้ที่มีปัญญาสมาธิธเห็นธรร ม, มีเห็นรูปวิญญาณเวทนาเป็นอนัตตาและก็สัมมาสังกปะคือรู้ธรรมจริงการที่จะเป็นมนุษย์แท้นี้ได้ ถ้าหากว่าเกิดมาไม่พบพระพุทธเจ้าแล้วทำอย่างไรก็เป็นมนุษย์ประเภทนี้ไม่ได้ถ้าปราศจากเสียปัญญาสมาทิฏิที่เห็นธรรมมีและสัมมาสังคปะคือรู้ธรรมจริงแล้วมนุษย์ประเภทนี้ก็มีบาลีเรียกว่านวิเชติอะมนุโส์ยังเรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้ เพราะมนุษย์ที่ขาดปัญญาสมาธิธิและสมาสังกปะนี้ก็ยังไม่นับว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอมนุษย์นั่นเองซึ่งเป็นได้ไม่ยากถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้มีโอกาสเป็นมนุษย์แท้คือมนุษย์ผู้มีปัญญาแล้วการที่จะหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารนั้นก็ไม่มีหนทางเลย ทางที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือพ้นไปจากวัตะสงสาร น, นั้นก็คือมีปัญญาเห็นอนัตน์นั่นเองถ้าใครผู้ใดก็ตามขาดปัญญานี้ก็พ้นไปจากวัตะสงสารไม่ได้เมื่อเรามีโอกาสได้มาพบพระพุทธเจ้าเรียกว่ามาพบปัญญารู้เห็นคือพระพุทธเจ้านั้นได้นามว่าผู้รู้ผู้เห็น คือผู้รู้เห็นตั้งแต่หัวจรดเท้านั้นเป็นอนัตตาคือเห็นรูปวิญญาณเวทนาสามประการนี้เป็นอนัตตายัางชัดเจนเมื่อเราพบปัญญามาพบพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจึงมีโอกาสหลุดพ้นไปได้ถ้าหากไม่พบพระพุทธเจ้าหรือไม่พบผู้รู้เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอมนุษย์ก็นับว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนไม่ได้ เมื่อไม่ใช่คนแล้วเขาก็จะเดินทางผลทางที่ไม่ใช่คนนั่นเองคือเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการที่จะกลัวการเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่ใช่มีเฉพาะคนสัตว์เดรัจฉานก็มีความกลัวเหมือนกันคือความเจ็บปวดเหล่านั้นเป็นความทุกข์ตายเกิดตายเกิดนั้นเป็นอนิจจังทำสองประการ น, นี้ไม่แยกจากกันเลย คือความเจ็บปวดต่างๆเหล่านั้นเป็นความทุกข์และการเจ็บปวดเหล่านั้นมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นทุกข์อนิจจังไม่ใช่เราถ้าหากรู้สิ่งนี้ขึ้นมาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนหรือจะกล่าวง่ายๆก็คือบุคคลที่ยังไม่นับว่าเป็นคนนั้นคืออัตตาบุคคลที่นับว่าเป็นคนนั้นคืออนัตตา คำว่าอัตานั้นได้แก่อะไรก็คือทาจริงไม่รู้ทำมีไม่เห็นอันนี้แหละก่อให้เกิดอัตตาคำว่าทาจริงไม่รู้ก็คือรูปวิญญาณเวทนาสามประการนี้เป็นอนาาัตตามีอยู่จริงแต่ไม่รู้และทามีไม่เห็นก็คือรูปวิญญาณเวทนารูปจิตเจตสิกนิพพาน เป็นของที่มีอยู่จริงแต่ไม่เห็นกลับเห็นไปว่าเป็นกูหมูสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงพรมผู้ที่ตกอยู่ในสถานนะทำจริงไม่รู้ทำมีไม่เห็นอันนี้แหละเรียกว่าเป็นอัตตาทั้งสิน้นสิ่งดังกล่าวมานี้เราจะเห็นได้ว่าการที่จะเป็นคนไม่ใช่เป็นกันได้ง่าย ญาติโยมทั้งหลายจงพิจารณาตนเองดูให้ดีก็แล้วกันหลวงพ่อเองนั้นเกิดขึ้นมาจนถึงอายุ77ปียังไม่ได้เป็นคนเลยทำจริงไม่รู้ทำมีไม่เห็นซึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นคนอัตตาคือยังไม่เป็นคนเลยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ หรือจะเป็นพะระอรหรสาวกปัติสาวกก็มีโอกาสที่จะเป็นได้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีถ้าหากว่าไม่มีความเป็นคนแล้วก็เป็นไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วแต่ยังไม่เป็นชาวพุทธนั้นผู้นั้นก็จะไม่มีโอกาสได้มรรคผลนิพพานสอง การเป็นคนปรมาตาหรือคนแท้ก็หมายถึงผู้ที่มีปัญญาสมาธิและสมาสังกปะทำงานอยู่ที่ใจมโนวิญญาณ น, นั่นเองคือมีปัญญาเห็นธรรมมีเห็นรูปจิตเจริสิกที่เกิดขึ้นมาที่มโนวิญญาณ น, นั้นผู้ที่เห็นธรรมมีที่เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเห็นธรรมมีเมื่อเห็นธรรมมีเกิด ขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วและต่อไปมีปัญญารู้ธรรมจริงคือเมื่อเจ็บเจ็บเกิดขึ้นมาแล้วใจรู้เจ็บวิญญาณที่เกิดเวทนาก็เกิดแล้วก็รู้ว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมจริงถ้าหากกล่าวโดยสรุปก็คือคำว่าธรรมนั้นก็ได้แก่อนาตตาแล้วก็มีปัญญาเห็น ปัญญารู้จักอนัตานั่นเองผู้ที่มีปัญญาเห็นธรรมมีปัญญารู้ธรรมจริงนี่แหละเรียกว่าคนปรมัาทคําว่าคนจริงหรือคนปรมัาทนั้นเรียกกันตามที่มีปัญญาหาอนัตานั่นเองคนจริงคนปรมัาทหรือคนอนัตานี้มาจากไหนก็มาจากคนสี่ประเภทหนึ่งผู้ปกครองสองพระ 3. คนรวย 4. คนจน 1. คำว่าผู้ปกครองคือตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจนถึงพระราชา 2. พระหมายถึงสามเณรน้อยจนถึงพระที่อายุ7จ8 0ิบปดสพรรษา 3. คนรวยหมายถึงคนที่มีเงินตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไป 4. คนจนหมายถึงคนที่มีเงินตั้งแต่ห้าร้อยบาทลงมา สรุปว่าคนจริงหรือคนอนัตตาก็มาจากคนสี่ประเภทนี้ถ้าไม่มีคนสี่ประเภทนี้ก็ไม่มีคนจริงหรือคนอนัตตาเกิดขึ้นจากคนสี่ประเภทนี้ใครผู้ใดก็ตามมีปัญญาสมาธิธิและสมาสังกรประผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนจริงคือถ้าคนเหล่านี้มีปัญญาเห็นธรรมมีรู้ธรรมจริง คนเหล่านี้ก็เป็นคนขึ้นมาแล้วเมื่อเป็นคนแล้วมรรคผลนิพพานก็ไม่ยากแม้ไม่ขอก็จะได้มรรคผลนิพพานอยู่และหากไม่เป็นคนหรือยังเป็นคนบัญญัติอยู่ไม่เห็นธรรมีไม่รู้ธรรมจริงจะขอนิพพานยังไรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นิพพานคนสี่ประเภทนี้ก็ยังแยกออกไปอีกหกคนคือ 1. นคนเด็กทารกสองคนสองคนโง่สองคนสามคนฉลาดอีกสองคนรวมเป็นหกคนลักษณะของคนเด็กบาลีว่าสลํกตะคือมีการปฏิบัติทานสินภาวนาสลํมกตะฐานะคือการให้ทานสลํกะตะภาวนาคนเด็กหรือที่เรียกว่าสลํกตะหมายถึง รู้ว่าเป็นงานของเราเราก็ทำทั้งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งเหมือนกับเด็กที่นอนในตักแม่นั่นแหละคือคนสี่ประเภทนั้นทำอะไรอยู่ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังทำอยู่เรียกว่าคนเด็กจะยกตัวอย่างเช่นการทำบุญให้ทานบุคคลที่เป็นคนเด็กนี้ทำบุญให้ทานอยู่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเรียกว่าคนเด็ก คนเด็กอีกอย่างหนึ่งที่ไปรับสินปานาติปาตาแล้วคิดว่าตนเองมีสินแล้วแต่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลและก็ไม่รู้ว่าการที่รักษาสินให้บริสุทธินั้นจะต้องทำอย่างไรคือในเรื่องของปานาติปาตานั้นก็คือเว้นจากการฆ่าเมื่อมีเจตนาที่จะฆ่าจะทาลายแล้วย่อมมีความเพียรพยายาม หาอุปกรณ์ที่จะทำการฆ่าเช่นมีดพระทนูดาหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะฆ่าแล้วก็ลงมือทำจริงๆอันนี้เรียกว่ากรรมและเมื่อสัตว์เหล่านั้นตายก็จะเกิดความดีใจยินดีบุคคลประเภทคนเด็กนั้นไม่รู้ลักษณะขององค์ประกอบของปานาติบาตเลยฉะนั้น เมื่อไม่รู้ก็รักษาศีลไม่ได้คนเด็กนั้นเมื่อทําทานก็คิดว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่เสร็จจะยกตัวอย่างเช่นชาวไทยใหญ่ทั้งหลายเมื่อถึงวันเข้าพรรษาและตลอดในพรรษาจะมีการถวายข้าวมัททุปายาตวงเล็บซ่อมต่อหลวง49คําและก็ไม่รู้ว่า49คํานั้นหมายถึงอะไรมาจากอะไร แต่ก็ยังทำอยู่เมื่อได้ถวายข้าว49คาแล้วอานิสงส์เป็นอย่างไรก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ตามถ้าทำอยู่ทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังทำอยู่อันนี้เรียกว่าสลัมกตะบุคคลและในเรื่องของสินห้าก็เช่นเดียวกันสินนั้นมีความหมายว่าอย่างไรมีบาลีว่าสีลังกละขติ คือสินนั้นรักษาความสงบสุขไว้ได้เมื่อบุคคลใดสามารถเว้นจากปาณนาติบาตคือไม่มีโทสะเกิดขึ้นมาในชาติไหนๆก็จะเป็นคนสวยคนหลอ่อคนงามและมีอายุยืนยาวบุคคลที่รักษาสินโดยไม่รู้เหตุและผลนี่แหละเรียกว่าคนเด็กสินมีอยู่สประเภทคือ 1. การสวดมนต์ไหว้พระ ว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธอยู่สวดอยู่แต่ไม่รู้ความหมายสวดอยู่ทุกวัน ท, ท, ทั้งที่ไม่รู้ความหมายอันนี้ลักษณะของคนเด็ก 2. การอุปถามหรือการช่วยเหลือบำรุงผู้ที่ปฏิบัติธรรมต่างๆหรือผู้เฒ่าผู้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ใหญ่ที่มาปฏิบัติธรรมนั้น แต่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองโดยไม่รู้เหตุรู้ผลนั้นก็คือคนเด็กคนเด็กคนที่สองบาลีว่าสลางกัลลิกะคือต้องให้มีคนอื่นชักชวนหรือบังคับทำบุญทำทานโดยผู้อื่นได้เตรียมไว้ให้ทุกอย่างจึงจะทำ หรือกระตุ้นชักชวนให้ทำบุญทำทานต่างๆจึงจะทำในเรื่องของสินก็เหมือนกันเช่นญาติโยมก็สมทนาสินห้าว่าไม่ยังพันเตและพระสงฆ์ก็จงว่าตามเราบาลีว่ายะมาหายะซึ่งญาติโยมที่มาขอสินและพระผู้ให้สินก็ไม่รู้ว่าองค์ประกอบของสินนั้นมีอะไรบ้าง เรียกได้ว่าทั้งคนและพระเป็นคนเด็กบุคคลที่อยู่ในลักษณะของคนเด็กในโลกนี้มีอยู่มากมาย 3. การภาวนาลักษณะของคนเด็กก็คือไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรก็ยังทําอยู่ภาวนาก็หมายถึงพิจารณาหาคําว่าพิจารณาหานั้นคืออะไรคือหาอนัตตานั่นเอง เมื่อหาอนัตตก็จะเห็นอนัตตาเห็นเป็นวิปัสนาและวิปัสนารวมกันเรียกว่าวิปัสนาภาวนาบุคคลที่เป็นเด็กนั้นก็จะหาเหมือนกันคือภาวนาว่าอนิจจังอนิจจังเป็นใครใครเป็นอนิจจังไม่รู้แล้วภาวนาว่าทุกขังทุกขังเป็นใครใครคือทุกขังก็ไม่รู้ หรือภาวนาว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาเป็นใครใครเป็นอนาัตตาก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าเป็นคนเด็กอานิจจังคือเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายใครเกิดใครตายก็มีรู้จักแล้วการตายเกิดในโลกนี้เป็นความทุกข์อานิจจังทุกขังสองประการนี้มาเป็นอนาัตตาก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังภาวนาอยู่ บุคคลผู้นี้เรียกว่าคนเด็กสรุปรักษณะของคนเด็กสองคนคือ 1. คิดว่างานของเราเราก็ทำเป็นเรื่องของทานศีลหรือภาวนาก็ตาม 2. คนอื่นใช้ให้ทำก็ทำในเรื่องของทานรักษาศีลภาวนาก็ทำตามถ้าบุคคลใดอยู่ในลักษณะเป็นคนเด็กอย่างนี้แล้วจะทำสิ่งใดก็ตาม อนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะน้อยมากทำไมถึงอนิสงส์น้อยก็เพราะการทาหรือการปฏิบัติมีลักษณะของเด็กนั่นเองคือทำอยู่ไม่รู้จะกล่าวถึงคนโง่สองประเภทคนโง่นี้มาจากไหนก็มาจากบุคคลสี่ประเภทคือผู้ปกครองพระคนรวยและคนจนคนโง่ประเภทที่หนึ่งบาลีว่าปลันกาคือ ทำตามหรือเรียนแบบเมื่อเห็นคนอื่นทำก็ทำตามเช่นเรียนแบบเรื่องของทานศีลและภาวนาคนโง่ประเภทที่สองบาลีว่าอลัมประชาระคือไม่รู้เหตุดีหรือเหตุชั่วก็ทำไปอย่างนั้นหรือรู้เหตุชั่วก็ไม่ทำเหตุดีคนโง่ประเภทที่สองนี้ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว แล้วก็ทำสุ่มเดาไปอย่างนั้นสรุปคนเด็กสองประเภทและคนโง่สองประเภทดังกล่าวนี้ยังไม่นับว่าเป็นคนการเป็นคนนั้นเป็นได้ยากการที่จะเป็นคนเด็กสองคนและคนโง่สองคนนี้เป็นได้ไม่ยากเลยคนฉลาดประเภทที่หนึ่งการเป็นคนจริงๆนั้นเป็นได้ยากเพราะว่าจะต้องมีเจตนาที่ดี ต้องการจะมีความสงบเย็นเจตนาที่มีความสงบเย็นทำให้เกิดเป็นทานรักษาศีลและภาวนาต่างๆโดยที่ไม่มีใครบอกกล่าวหรือบังคับให้ทำมีแต่ความตั้งใจทําขึ้นมานั่นเองอันนี้เรียกว่าคนฉลาดคนฉลาดประเภทที่สองบาลีว่าซัมปะชารกตารู้เหตุดีรู้ผลดีรู้เรื่อง สินว่าเป็นเหตุดีรู้เรื่องภาวนาและสมัครใจทำเองการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมนุษย์คนฉลาดสองประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสิ่งได้ยากจริงๆงการที่จะเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้นั้นจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดองค์ประกอบแรกก็คือการศึกษาการฟังการสอบถามการพิจารณาและการจํา และบุคคลฉลาดนี้มาจากไหนก็มาจากบุคคล4ประเภทดังกล่าวมาแล้วนั่นเองและมีโอกาสได้มาเรียนรู้มาศึกษาฟังสอบถามพิจารณาและจำได้เมื่อจะเป็นคนฉลาดจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 5% ประการนี้ถ้าไม่มีองค์ประกอบทั้ง 5% ประการก็เป็นคนฉลาดไม่ได้และถ้าเป็นคนฉลาดไม่ได้ก็จะกลับไปเป็นคนเด็ก และเป็นคนโง่ต่อไปเมื่อไม่เป็นคนฉลาดแล้วก็ไม่รู้เลยว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเราได้เวียนว่ายตายเกิดนานนับไม่ท้วนและไม่เห็นต่อไปว่าในอนาคตก็ต้องตายเกิดเหมือนเดิมบุคคลที่ไม่รู้ไม่เห็นทั้งในอดีตและอนาคตเป็นกันไม่ยากบุคคลผู้นี้แม้จะภาวนาและอธิษฐานว่า ขอให้พ้นจากความทุกข์คือการเวียนว่าตายเกิดแม้จะอ้อนวอนขออย่างไรก็พ้นไปไม่ได้คนที่ไม่รู้จักอดีตและอนาคตที่ตายเกิดมานั้นแม้ว่าเป็นคนเด็กและคนโง่คือทรรจริงไม่รู้คือรูปวิญญาณเบทนาและทำรร ม, มีไม่เห็นไม่เห็นจิตเจตสิกอันนี้คือคนโง่ถ้าหากว่าเป็นคนโง่ ทำจริงไม่รู้ทำมีไม่เห็นไม่ต้องกล่าวว่านิพพานะปั จ, จโยเลยเพราะว่ากล่าวไปแล้วก็เมื่อยปากเท่านั้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเราก็นำเอามาไม่ได้ในลักษณะของนิพพานนั้นก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราขอเราก็เอามาไม่ได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากคนโง่มาเป็นคนฉลาดทำจริงก็รู้ทำมีก็เห็นแล้วคำว่านิพานนั้นแม้ไม่อยากจะได้เลยก็จะได้หรือเกิดนิพานขึ้นมาเองบุคคลที่ทำจริงไม่รู้ทำมีไม่เห็นนั้นทำอย่างไรก็ตามไม่สามารถพ้นไปจากวัตตะสงสารได้คือการเวียนว่ายตายเกิดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำจริงไม่รู้ ทรมีไม่เห็นก็คืออัต a านั่นเองมิจฉาทิฏฐิเห็นความเป็นกูและโลภะก็เกิดขึ้นอยากได้ความเป็นกูมีมีกูทั้งหลายอัตตากับโลภะนี่แหละก่อให้เกิดกามุขปาทานกามุขปาทานก็คือกามคุลทั้งห้าคือความอยากได้ในสิ่งที่คิดว่าเป็นของกู อัตตากรบโลภะสองประการนี้ไปสัมผัสกับสิ่งใดก็จะไปกับสิ่งนั้นและก็จะไปเป็นสิ่งนั้นจะยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีถึง25่สาพันและทรงได้แสดงธรรมมากที่สุดทำไมพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนานถึง25สาพันี ก็เพราะเมืองสาวัตถีนี้เป็นเมืองที่มีคนรู้จักทมจิิรู้ทรมีเห็นแล้วก็พิจารณาตามทมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่เป็นประจำจึงทำให้ผู้คนในเมืองนี้มีความสุขในเรื่องการที่จะปฏิบัติธรรมในเมืองสาวัตถีนี้มีคนประมาณ7 0ล้านคนมีคนที่สนใจและปฏิบัติธรรมมีมากมายและเป็นอริยะประมาณ50สบล้านคน มีบุคคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคนฉลาดขึ้นมาแล้วและกำลังฝึกหาหินอนาตตาอยู่ก็มีอีกจำนวนส0บล้านคนในจำนวน60สล้านคนมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมีลูกชายอยู่สองคนเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่โดยใช้สมบัติของพ่อแม่ที่มีอยู่ เมื่อพี่ชายแต่งงานไปและมีอาชีพค้าขายไปในที่ต่างๆโดยให้น้องชายกับพี่สะพ้ยอยู่ด้วยกันที่บ้านสองคนเมื่อพี่ชายไปค้าขายแล้วพี่สะพ้ยกับน้องชายก็คบชู้กันเมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันมานานพี่สะภ้ยก็กล่าวกับน้องชายว่าหากพี่ชายกลับมาและรู้เรื่องของเราพี่ชายจะต้องฆ่าเราสคนแน่นอน เราจะต้องวางแผนฆ่าพี่ชายก่อนก่อนที่พี่ชายจะฆ่าเราน้องชายถามว่าเราจะฆ่าพี่ชายอย่างไรพี่สะพ้ยจึงตอบว่าไม่ยากจะเตรียมแผนไว้เองโดยให้น้องชายถือค้อนไปแอบอยู่ที่ใต้ต้นมะเดือ่อเมื่อพี่ชายกลับมาพี่สะพ้ยจึงต้มน้ำส้มปล่อยให้พี่ชายอาบเพื่อเป็นสิริมงคลและถ้าอาบแล้วเชื่อว่าจะ ทำให้ค้าขายดีพี่ชายจึงไปอากน้ำสะผมที่ใต้ต้นมะเดือ่อพี่สะพ้ยก็สั่งให้น้องชายผู้เป็นชู้ใช้ค้อนทุบหัวพี่ชายเมื่อพี่ชายไปสะผมใต้ต้นมะเดือ่อน้องชายซึ่งแอบอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นจึงใช้ค้อนทุบหัวพี่ชายตายทันทีพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าตัณหาอุปาทานการภาวะ คำว่าตัณหาก็ได้แก่อัตทิฐิอัตตากับโลภะคู่หนึ่งและมานะกับโลภะคู่หนึ่งเป็นมีกูกูมีมีโลภะมานะมีกูโลภะกับมานะสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาเรียกว่าตัณหาเมื่อมีอัตตาแล้วก็เกิดความยึดถือคือมีตัวกูเช่นมีสามีเรา ลูกเรามีเราก็เกิดขึ้นเมื่อมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกามภาวะคือกามคุณต่างๆก็จะเกิดตามมาเมื่อน้องชายทุบศีรษะพี่ชายตายไปแล้วนั้นแต่จิตของพี่ชายก็ยังพวงห่วงถึงภรรยาอยู่เมื่อตายไปรูปวิญญาณเวทนาซึ่งเป็นอัตตาทาหน้าที่ให้มาเกิดเป็นงูใหญ่ นอนอยู่บนที่นอนของภรรยานั่นเองเมื่อถึงเวลาค่ําภรรยาก็ไปเตรียมทําความสะอาดที่นอนและเห็นงูอยู่บนที่นอนนางคิดว่าคงจะเป็นสามีมาเกิดเป็นงูนางจึงฆางูตายอีกเมื่อภรรยาฆางูตายงูก็มีความเป็นอัตตายังยึดว่าเป็นภรรยาของครูอยู่และเกิดโลภะคือความอยากได้ภรรยาอยู่ เมื่อมีใจอาตายยดถืออย่างนั้นเมื่อตายจากงูกไปก็ไปเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านภรรยาอองเมื่อเป็นหมาใจอาตาก็คิดว่ามีกูและใจรลภะก็ติดตามมาเมื่อภรรยาเก่าไปไหนมาไหนหมาก็ติดตามไปด้วยตลอดเวลาต่อมาไม่นานภรรยาเก่าก็ฆ่าหมาตายอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมาก็มีรูปวิญญาณเวทนา ก็ถูกอัตานำไปและก็ไปเกิดเป็นวัวเมื่อเกิดเป็นวัวแล้วอัตาอุปทานกรรมอุปทานคือความยึดและโลภก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมและวัวก็เดินตามภรยาเก่าไปในที่ต่างๆภรยาก็ถูกชาวบ้านล้อเลียนว่าเป็นแม่นมของวัวภรยาก็เกิดความอายจึงฆ่าวัวตายอีกเมื่อวัวตายแล้ว ใจอัตาก็ถือว่ามีกูเป็นกูโลภะก็อยากได้และติดใจอยู่กับภรรยาเดิมจึงวนเวียนกลับมาเกิดเป็นลูกของภรรยาเมื่อเด็กเกิดขึ้นมาแล้วภรรยาหรือแม่ก็ให้กินนมเมื่อเด็กเห็นหน้าแม่และระลึกชาติได้จึงรู้ว่าหญิงคนนี้แหละที่ฆ่าตัวเองตายไปถึงสี่ครั้งแล้วเด็กก็เกิดความกลัวไม่ยอมกินนมเอาแต่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา เราทั้งหลายก็เหมือนกับเรื่องที่ยกตัวอย่างมานั่นเองคืออัตตาพาไปเวียนไหว้าตายเกิดไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อัตตานำเอารูปวิญญาณเวทนาเวียนไปเป็นงูหมาเป็นแมวบัวควายแล้วก็เป็นคนเวียนไหายตายเกิดอยู่อย่างนี้เพราะอัตตาตัวเดียวเมื่อเด็กน้อยคนนั้นไม่ยอมกินนม เอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวแม่จึงให้ป้าเอาไปเลี้ยงจนเด็กเจริญเติบโตมีอายุถึงเจ็ดปีป้าก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันอาหารที่บ้านเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบ้านแล้วป้าของเด็กก็ถามเด็กว่าทำไมไม่ยอมกินนมเลยเด็กจึงตอบว่าผู้หญิงคนนี้ฆ่าเราถึงสี่ครั้งมาแล้วคือครั้งที่หนึ่งเมื่อเราเป็นคนให้น้องชายฆ่าตาย ครั้งที่สองเป็นงูก็ถูกฆ่าครั้งที่สามเป็นหมาครั้งที่สี่เป็นวัวก็ถูกฆ่าอีกและตอนนี้ที่ไม่กินนมก็เพราะกลัวจะถูกฆ่าอีกเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวถึงเหตุห้าประการคืออวิชชาสังขาราตัณหาอุปาทานกาพะวะคำว่าอวิชชานั้นทำอยู่ก็ไม่เห็นทมจริงก็ไม่รู้ และสังขาราก็คือการปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆเมื่อมีสังขาราอย่างนี้แล้วก็ก่อให้เกิดตัณหาตัณหานั้นคืออัตตาทิฐิมีความเห็นว่าเป็นกูของกูโลภะอยากได้ในสิ่งที่เป็นกูเมื่อมีอัตตาโลภะอย่างนี้ก็กระทาเอาเมื่อมีตัณหาแล้วก็ก่อให้เกิดอุปาทานอุปาทานหมายถึงผูกพัน ยึดถือคือตั้งแต่หัวจรดเท้านั้นคิดว่าเป็นของกูเป็นของเราและภายนอกก็เหมือนกันจะเป็นสิ่งต่างๆเขาคิดว่าเป็นของกูเป็นลูกเราเป็นบ้านเราเมื่อมีจิตใจยึดถือยึดเหนีอยวอย่างนี้ก็ก่อให้เกิดกาภาวะอีกเป็นเหตุให้เกิดใจกุศลและอกุศลคือใจที่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้น การภาวะนั้นทำให้เกิดอกุศลกามอากุศลกรรมนั้นเป็นอย่างไรคือเอาอัตราดาหน้าว่าเป็นเมียกูเป็นเมียกูถึงสี่ชาติเรียกว่าการภาวะเมื่อได้ภาวะคือได้การเป็นหรือการเกิดและมรณะคือตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายไม่รู้จบสิ้นการตายแล้วเกิด ตายแล้วเกิดนั้นเป็นความทุกข์และความทุกข์นั้นอะไรทําให้เป็นทุกข์ผู้ที่ทําให้เกิดก่อให้มีนั้นคือโลภะซึ่งเป็นอาัตตานั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมจบลงเด็กคนนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเรียกว่าโสดาบันอริยะและขอไปบวชเนนอยู่กับพระพุทธเจ้าและได้บรรลุเป็นอรหันต์ในเวลาไม่นาน สิ่งที่ได้กล่าวมานี้อัตาโลภะนำเอารูปวิญญาณเวทนาไปเวียน่หยตายเกิดเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นนไม่รู้จบซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังพระพุทธเจ้านั้นได้พระนามว่าเป็นอภิสนาจะคือไม่โกหกใครๆไม่โกหกเทวดาพรหมและคนใดๆเลยสิ่งไม่ถูกต้องจะไม่พูดเลย ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าโกหกเราหากว่าเราเชื่อในคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแสดงว่าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดความจริงและความไม่เชื่อนั้นภาษาบาลีเรียกว่าวิจิกิจฉาคือสิ่งที่ผิดนั้นจะเชื่อและสิ่งที่ถูกนั้นจะไม่เชื่อเมื่อมีความเห็นผิดเห็นว่าเป็นกูมีกูคิดผิด คิดว่าเป็นกูมีกูและเมื่อคิดผิดแล้วเชื่อผิดเชื่อว่าเป็นกูเมื่อทำผิดแล้วก็ได้ผลผิดต่อไปผลผิดคือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไปไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ก็คืออัตตาที่ทำงานทําให้เวียนว่ายตายเกิดเสมอมาถ้าหากเราไม่สามารถใช้ปัญญาหาเห็นอนัตตาแล้ว เราก็จะเวียนไหว้ตายเกิดไปเรื่อยๆเหมือนกับตัวอย่างเด็กน้อยที่ได้ตายเกิดอยู่ถึงสี่ชาติพระพุทธองค์เรียกว่าจะสุตชาติการที่เด็กชายคนนั้นบรรลุธรรมได้นั้นก็เพราะเขาเกิดศรัทธาธรรมขึ้นมาคือเชื่อในเรื่องของอนาัตานั่นเองตัวอย่างเด็กที่เวียนไหว้ตายเกิดถึงสี่ชาตินั้นเพราะว่าอาัตานั่นเองทาให้เป็น แต่เมื่อรู้จักอนัตตาแล้วอาตาก็ดับลงไปเมื่อเด็กได้บรรลุธรรมแล้วเรียกว่าสัทธาอริยะคืออริยะนั่นเองซึ่งแปลว่าไม่ทําผิดแล้วบุคคลที่ไม่กระทําผิดเรียกว่าบุคคลอนัตตาบุคคลที่ทําผิดก็คือบุคคลอาตาซึ่งกระทําผิดอยู่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปและอาตานั้นทางานอะไร คือทำงานตายและเกิดตายและเกิดไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าการเกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งได้ยากคือหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถใช้ปัญญาหาเห็นอนาัตนา์นั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาหาเห็นอนัตตาความเป็นคนนั้นก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นบุคคลผู้ไม่เป็นมนุษย์นั้นมีบาลีว่า อวิชชาติอัมนุโสคือทำจริงไม่รู้ทำมีไม่เห็นบุคคลผู้นี้เรียกว่ายังไม่ใช่มนุษย์บุคคลที่ทำจริงไม่รู้ทำมีไม่เห็นนั้นเป็นกันไม่ยากเกิดมาก็เป็นแล้วแต่บุคคลที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคนได้ยากคือทำจริงก็รู้ทำมีก็เห็นบาลีว่านาวิชาติมนุโส ธรรมจริงนั้นก็คืออนัตตานั่นเองธรรมมีก็หมายถึงรูปวิญญาณเวทนาซึ่งมีอยู่จริงๆเมื่อรู้ธรรมจริงเห็นธรรมมีแล้วก็จะรับธรรมได้มรรคญาณก็เกิดขึ้นมาตัดอัตตาลงไปต่อจากนั้นเป็นผลที่อัตตาไม่มีเป็นนิพพานแล้วการที่จะได้ธรรมอนัตตานี้เป็นสิ่งที่ยาก และสิ่งที่ยากในการที่จะมีศรัทธาคือเชื่อในเรื่องของอนัตตาคําว่าศรัทธานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากถ้าหากเราไม่มีธรรมศรัทธาแล้วที่เราจะเป็นคนแล้วก็เป็นไม่ได้ศรัทธามีสามประเภทคือ 1. เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในรู้ธรรมจริงเห็นธรรมมี 2. องธรรมศรัทธาคือเชื่อในอนัตตา 3. พระสงฆ์คือผู้ที่หาเห็นคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าหาได้ยากเกิดขึ้นได้ยากก็คือ 1. การที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ 2. การที่จะเกิดขึ้นมาเป็นคน 3. การที่จะเชื่อในธรรมหรืออนนาตา 4. บัพพชิตไม่ได้หมายถึงพระหรือเนนแต่มีบาลีว่า ปาปังปปหาเจ ต, าติปาชิตโตปาปังหมายถึงจิตที่เป็นบาปเป็นกุศลทั้งมวลนั้นมีอยู่สี่ประการปปหาเจติคือบุคคลผู้มีความสามารถในการที่จะขับไล่จิตใจบาปทั้งสี่ประการนี้ออกไปได้ผู้นั้นแหละคือบัพพชิต เราทั่วไปจะเข้าใจกันว่าการที่จะมีโอกาสเป็นพระเป็นเนนนั้นเป็นกันได้ยากแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นคือบุคคลผู้มีความสามารถนั่งลับตาขับไล่อัตาออกไปได้บุคคลผู้นั้นแหละเป็นกันได้ยากบุคคลผู้มีความสามารถนั่งขับไล่อัตาออกไปได้นั้นสิ่งที่ต้องอาศัยจะต้องมีคือทำศรัทธาฉะนั้น สิ่งที่จะทำได้ยากมีอยู่5ประการด้วยกัน 1. การที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้านั้นคือผู้มีปัญญาหาเห็น 2. ผู้ที่มีความสามารถใช้ปัญญาหาเห็นอนัตตา 3. ผู้มีธรรมศรัทธา 4. ผู้ที่สามารถขับไล่อตตาออกไปได้ 5. ผู้ที่ศรัทธาธรรมสรณนะ ซึ่งหมายถึงการที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ยากจริงๆธรรมที่เป็นของพระอริยเจ้านั้นได้แก่ธรรมอะไรก็คือจิตเจตสิกรูปทั้งสมประการนั้นที่เป็นอนัตตาเรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้ารูปวิญญาณเวทนาเป็นอนัตตาเป็นสุญญา ทำอนัตตนั้นจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ยากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากดังกล่าวมาหาประการนี้พระพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนตักเตือนในพิสุสามะเนนทั้งหลายทุกๆวันใครผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสมาพบเจอสิ่งที่หาได้ยากทั้ง5ประการนี้ผู้นั้นแหละจะได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ง่าย แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้พบเจอสิ่งห้าประการนี้แล้วมรรคผลนผิพพานนั้นก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้เลยสิ่งที่ได้กล่าวมานี้แล้วก็คือการที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นได้ยากแต่ว่าเมื่อเราได้เป็นคนแล้วคาว่านิพพานนั้นก็เป็นเรื่องง่ายแล้ว